ตรงล้อทำดำเฉียบัณฑิตตรงล้อทำดำเฉียแล้วจะเลื่อนคำเขาทำดำคือหลงเนี่ยทำเขาวคือไม่หลงจะเลื่อซะทำได้ขณะที่มันหล ง, ลงเปลี่ยนไม่หล ง, ลงอันนั้มันเป็นทำดำทำเขาว <Okay. S 1> เห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่<ง>ถ้าเปียนบรรยากาศอะไรขึ้นมันก็ไม่ต้องถามใครร<ง>วมหลงเป็นยังไง ความไม่หลงเป็นยังไงเราจะได้สัมผัสเอง ม, มีคำถามถ้าไม่เปลี่ยน <Okay. S 2> อกุศลเนี่ยกุศลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนอกุศลคือความหลงอกุศลรดนเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปเป็นบาปเป็นมาลุกเป็นเปเป็นชโลกายเป็นทุกข์ โศกปฏิบัติกูดเจอเจ็บตายใน ช, ชาติในภพต่างๆหลงแล้วจี้างโกรธแล้วจี้างทุกข์แล้วจี้างไม่เี็ดไม่หลับลือนล้านเราต้องมาเปลี่ยนดูสิให้โลกใหม่เราดูเถิโลกแห่งความไม่หลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงสัมผัส ด, ดูจงเมื่อถึงที่ไม่มีน้ำให้มันขึ้นฝังสติขอเป็นคนขนส่ง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 เกโกรธกเมียก็ด่าเป็นหมาผัวก็ด่าเป็นหมาถ้าเโ็โกรธอเแม่ก็ฆ่าได้ลูกก็ฆ่าได้มันไม่มีอะไรที่ทำได้ถ้าความเอากุศลมาขวงขังกันนะไปไม่ได้จนทำความช่วยได้สำเร็จจนทำความช่วยได้สาเร็จจนถึงที่สุดเป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่น เราอยู่ยากลำบากเพราะคนหลงเพราะคนชั่วถ้าเราเป็นคนดีเปลี่ยนหลงเปลี่ยนความไม่ดีให้มันดีซะก<ะ>็อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเรามีความหลงก็เป็นคนเราโคนกันไปอาศัยกันไว้ได้อาศัยตัวเองก็ไม่ได้เอาจึงมาเอาเนี่ยเหตุอยู่ที่นี่นะ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 ทุกเจ้าล่ะเห็นสองจิงอันเป็นสุดสี่ยางคือทุกนั่นแนหะเหี่เกิดทุกนั่นแนะวิธีที่จะไม่ออกหนีไปจากทุกได้แลว้วนั่นละปะล็นสุดแล้วดองชนะตัวเองอย่างนี้ดูสินี่แหละเป็นชน ะ, ะอันป็นสุดอัตหไว้คิดตังเสยโยชนะความไม่ดีนี่แหละตัวเองนี่แหละ เป็นอันวิเศษจะมีเหลี่ยวว่าตัวเองไม่มีใค ร, ใครทําให้เราได้เราต้องทำเอาเองตัวใครตัวมันฝึกหัดเอาเองหัดให้มันเป็ น, ปนไม่ใช่เรียนรู้เรารู้มามากแล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกมามากแล้วอะไรผิดเราก็รู้อะไรถูกเราก็รู้อะไรดีก็รู้อะไรชั่วก็รู้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 เย็นเถะลูกไม่เป็นไรอดเถ้โอดเถ้โอดเถาอน้ามาลูกของใจของลูกชายลูกชายจำท่าจะไปแม่ก็ลูกไป้อนน้ามาลูกอดไว้อดไว้ลูกกดไว้ถ้าผัวเมียช่วยกันอย่างนี้จะดีมีบ้าหมในโลกเนี่ยไยกดอ่อนน้ามาลูกขอกหยุดถอแม่หยุดเถอะผัวกดออาน้ามาลูกของชายหยุดแต่พ่อหยุดเถอไม่ได้ไม่ได้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 บาปพาไปสู่นระกมากเท่ากับขนโขดด้วยปลายทางพอใจไม่พอใจตาเห็นโกูกหูดินเสียงพอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นพอใจไม่พอใจกายสัมบัติ จ, จิตใจชิดนึพอใจไม่พอใจใจในใจเกิดอะไรอีกในใจนั่น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 อะไรต่างๆมันทข้าถึ ง, ถงเนื้อถึงตัวเลยตัวนันนี้ถ้าไม่คิดแล้วจะหลอดจะหลงคน <โฆ S 1> ชวนสิ่งที่ชวนให้หลงมีมากอันสิงที่ชวนให้รู้มีน้อยน้อยหนึ่งก็คือพ่อแม่กูอาจาอนพระพุทธธรรมผสมมีไม่มากชวนคนชวนให้หลงนี่มีมากสู้ขอไปได้เขา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 เด็กน้อนั่งรถจะกินไก่เม็กซจสกินไก่เม็กซ่โจ๊ะโจ๊ <c oughs> เราไปรู้เลยเนะม็กซคืออะไรนะเม็กซไก่เม็กซิคืออะไรม็กซคืออะไนะลูกอมเมก็อยู่แต่ไหน้าผ่าน <c oughs> พลเลยของที่นก็เห็นเม็กซิไก่เม็กซิเป็นง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 ยิ่งมีผัวเมียกันเลานี่แหละคนนั่งแล้วไม่เนี่ยรับผิดชอบระยะยาวที่สุดจนสุดชีวิตนันหละโอ้เดียวมีเดียวสุดชีวิตเลยสัญญาความรักกันระยะยาวที่สุดมันจะดีนะอันนี้นี่งอนแน่นคอเนเคนต์คุ้มร้อยคุ้มดีนะถ้าโกรธเราเข้าขาดแรงแจงขาดม่อ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 น้มมาใช่เราเช่อโอปันนีก่กน้มมาใช่เราใชอเวลามาัหล ง, ลงเปลี่ยนไม่หล ง, ลงน้มมามีศรัทธาตอเพราะไม่หลงเราจำตัวนี้นะให้มีศรัทธาอย่าให้หลุดไปไง่ายๆให้หนักแน่นน้อมมาใช่เราน้องก็ไม่หลงเข้าว่าน้องค็ไม่ทุกข์เข้ามา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 เดือนปีเดียวพันชาเดียวนอนลังก็ไปเวลุวันสอมพัษาปรปดิบัตฐานพุทธิศาสตรทสาทนั้นตานนเป็นผู้ตักถาดใต้อาคาสาวกที่เวลุวันหานิบุตมคลานะตั้งหลักฐานี่นั้นพระเจ้าพิมสุสสรทตรงเราจะคือมะคดลด รัดใหญ่อกจจะนกไปแล้ววะพษาที่ส <S an the> ี่ที่ห้าท <S an the> ี่หกพรษาที่เจ็ดษาที่สี่ท <S an the> ี่ห้าน <S an the> ี่ยอาจจะไปกบิลพัทไปโปรดพุทธบิดาพรรษาที่เจ็ดไปโปรดปรมันดาจอมภษาไม่อยู่ที่เดียวเลยดีกว่าพวกเรา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 ฉันข้าวนังสุชดาแล้วเดินข้ามแม่น้ำในรันชลามาฝั่งตะวันตกได้ต้นถีบมะพร้แล้วจะนั่งตรงนี้ไม่ลุกถ้าไม่รู้ทมหนังกระดูกจะเหงือแท่งไปก็ตามจะไม่ลูกถ้าไม่รู้ทมนี่ขนาดขนาตา zoom z หาอยู่ไม่รู้่อะไรเืยอะไร ยังมีจิตใจขนาดนั้นเด้๋ยวบทที่ฐ า, านใจแน่วแน่บางทีนะกักกรรมฐานเข า, ข า, า, า, ก, าก็ว่าสมาธานกรรมฐานยอามาหังพระกว่าอัตตาภาวังอามากงรุติสัจจามิแต่เ พ, พื่อผู้มีพาคเจา้าผู้เจริญแล้วเจ้าจะขอปฏิบัติวิปัจฉนากรรมฐาน หนึ่งวันเจ็ดวันเพื่อทำมาแจ้งชื่อมกผลนิพานแต่ไม่หนีจากที่นี่ไปเจ็ดวันนิพานสะไย่ชัดเจนนิพานสะไม่นิพานจะไม่อะไรเพื่อไงนิพานสะไม่สติสติกระดอายากรรมวานางเทเหวี่ยมนานโลกขี้เกียจจำ ไม่อยาพดพกดแต่ว่าก็อ้างๆซะหน่อยไม่ใช่บอกว่าเองมันมีมาแล้วนะจะทำให้ผานให้แจ้งจะทำปฏิภาณให้แจ้งนั้นหลงก็มไม่หลงก็มีแจ้งชักหน่อยอย่าจนมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็มีมันโกรธก็ไม่โกรธก็มีหัดหัดมองอย่างนี้ ต่างที่เราขอบวชสัพพุทกะนิจฉะนิพพานะสรือซสัพพุทกะนิจฉะนิพพานะจะอาศัยกากสองเหตุวะอาศัยผ้าสาวพันนี้เพื่อชนะทุก ข, ข์ให้ถึงมรผลนิพพานเพื่อนิพพานไม่ใช่เพื่ออะไรนิพพานะชจิกะนัเธอ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 มีบุคคลสัพพะมีธรรมสัพพะอาหารสัพพะเจ้ญญานาสนะสัพพะเป็นเครื่องมือปุพกิจปุพกกรที่เราจะต้องอาศัยสี่อย่างนี้นก็พออยู่กันได้เส้าหน้าสนะสัพพะจาที่นั่งจะละหอตายฟังธรรมสวดมนต์ที่นอนที่มองที่บงังพอได้หลับได้นอน อาหารก็พอเยวอหยาใช้ได้บุคคลก็มีมืดมีเพื่อนอยู่นี้นไม่ทอดไปทิ้งกั น, นปากฝีปากไข่ต่อกั น, นไม่ทอดไปทิ้งมีธรรมก็บอกกันอยู่นี้ทำ ม, มาสัปยะเคจริงไงสมบัติดูเวลามันหลงไม่หลงนี่คือธร<า>รมอันธรรมอันความหลงไม่ใช่ธรรมก็มไม่หลงเป็นธรรม